อันมีอะไรมากมายหอก็นั่งก็มีความสุขนะตอนเวลานั่งแล้วก็สสว่างเอก็มองฟากสว่างก็ไม่แนก็ความจริงไม่ต้องการให้มองการสว่างให้ให้มองมองตัวรู้มองผู้รู้ให้ให้ให้ให้ให้ให้มให้อยู่กับผู้รู้ให้รู้เฉยเฉยเพราะความสว่างนี่มัน ผูรู้อ ร, รู้ก็ที่มี ส, ต, สติใช่ไหมฮะก็ตัวมองอะไอตัวมองคือใครนะไอพิษใครกําลังมองความสว่างอยู่อะ่ะไอตัวเราอย่าไ ป, อ ย, าไปอย่าไปมองไอตัวตัวสว่างเพราะตัวสว่างมันไม่เที่ยงเข้าใจไหมเดี๋ยวมันดับไปก็จะดับไปก็จะทุกข์ได้เพราะถ้าอยากจะให้มันสว่างแล้วมันดับไปมันก็จะทุกข์แต่ดูไอตัวมองไอ้ตัวมองไม่ดับเข้าใจไหมหรือจากตัวมองตัวรู้อ่ะ ัรู้จกให้อยู่ให้อยู่กับตัวรู้เพราะตัวรู้มันไม่มีวันดับมันไม่มีวังเปลี่ยนแต่ถ้าดูอย่างเอื่นมันเปลี่ยนดูภาพดูแสงดูอะไรนี่เดี๋ยวมันหายไปแล้วถ้าเกิดตันหาความอยากขึ้นมามันก็จะไม่สบายใจแต่นี้พอเวลาตัวรู้รู้แบบมองมองไปก็สว่างสว่างแล้วก็รู้ไปเรื่อยๆได้รู้ไปเรื่อยๆให้อยู่กับตัวรู้ถยตัวสว่างมันจะสว่างหรือไม่สว่างมันจะ ให้รู้ไม่ต้องไปสนใจมันอยากก็อยากให้มันเต็นเหมือนเดิมเพราะทุกอย่างมันมันอนิจจังทุกขั้งอนะตาทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดมีตัวเดียวที่ไม่เปลี่ยนก็ตัวรู้ถ้าอยู่กับตัวรู้แล้วมันก็สบายให้รู้เฉยๆเสียงเสียงชมก็รู้ว่าชมเสียงด่าก็รู้ว่าด่าถ้าเราไปติดอยู่เสียงชมพอเสียงด่ามาขึ้นมาก็ไม่สบายใจ ถ้ารู้เฉยๆมันก็ไม่เป็นตัญหาเวลานั่งสมาธินี่ใจมันจะรู้เฉยๆได้เวลาออกจากสมาธิมาเราก็พยายามรักษาตัวรู้เฉยๆนี้ว่าต่อไปเวลาเห็นอะไรได้ยินอะไรสัมผัสกับอะไรก็ให้รู้เฉยๆเช่นออกมาจากสมาธิก็บอกว่าอ้าวแทนไปมีคิ๊กแล้วก็รู้เฉยๆแล้วช่วงที่นั่งเฉยๆเราว่า เป็นช่วงสมาธิใช่ไหมคเห็นนอ้องแลอวแบบสว่างไปเรแล้วก็นั่งได้ตั้งห้าหกชั่วโมงนะนั่งได้ตลอดแต่ว่าจะเดินปัญญาที่ว่าเป็นวิปัสสนานี่ น, น, นี่นั่งดูนี่กําลังสามวิปัสสนาให้รู้เฉยๆนะี่วิปัสสนาให้รู้ ม, มีเกิดมีดับมีเปลี่ยนมีเปลี่ยนแปลงมีดีมีเชื่อมีสุขมีทุกข์ก็รู้อย่างเดียวให้เขาให้รู้เฉยๆอย่าไปดีใจเสียใจ อย่าไปมีรักมีชังมีกลัวมีหลงเนี่ยสี่ตัวนี้ที่เราต้องการจะทำลายนั่งสมาธิเพื่อให้มีใจเป็นกลางให้รู้เฉยเฉยถ้าใจไม่มีสมาธิมันจะไม่มันไม่เฉยเห็นอะไรชอบมันก็ลักเห็นอะไรไม่ชอบมันก็ชังแล้วมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดปัหาขึ้นมานี่เรีย ว, วิปัสสนาไม่ได้ล้ เวลานั่งสมาธิจิตมันสว่างรู้มันสว่างนั่งไปห้าชั่วโมงมันก็ไม่มีอะไรมันก็รู้เฉยๆไปแต่ความรู้เฉยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการจะฝึกใจให้รู้เฉยๆพอออกมารับรู้เรื่องราวต่างๆจะได้รู้เฉยๆได้เป็นพอออกมามีคนส่งข่าวมาว่าเออเงินของคุณถูกขโมยไปหมดแล้วก็รู้เฉยๆ ถ้าเฉยถ้าไม่เฉยก็บอกม่ใช้ปัญญามาสอนแล้วมันจะทำไงเอากลับมาได้หเปล่าออกมันไปแล้วจะเอากลับมาได้หเปล่าถ้าเอากลับมาไม่ได้ไปตีโพตีพายไปโวยวายมันจะเกิดประโยชน์อะไรก็ต้องยอมรับว่ามันอนิจจังทุกขังอนัตตามีมามีไปมีเกิดมีดับมาก็ห้ามไม่ได้ไปก็ห้ามไม่ได้เป็นอนัตตา ถ้าไปอยากมันก็ทุกข์นี่ให้เห็นสามตัวนี้แล้วมันก็จะเฉยได้กระจายยังกระจายค่ะเพรารู้สึกยิ่งปฏิบัติในเวลามันมีอะไรเข้ามามันเหมือนเวลาเรื่องไม่ดีเข้ามามันก็ไม่เข้ามาข้างในเรามันมันอยู่ข้างนอกแสดงว่าลูกเฉยๆมันมีความรู้สึกเองด้วยเมันไม่ได้ทํำนะแต่รู้สึกมันไม่เข้ามาข้างในแต่มันอาจจะมีเรื่องที่เรารักมันอาจจะเข้ามาก็ได้เรื่องที่เราห่วงที่เราห่วงมันก็ยังเข้ามาได้ แล้วงั้นเราก็ต้องตัดอย่าให้มันเข้ามามีไหมไม่มีไม่มีอะไรเข้ามาเลยเลยไม่มีมันมันมันนิ่งนิ่งะค่ะใครด่าก็นิ่งอะออยังไงยังมีแต่ว่ามันเข้ามาแป๊บแต่มันไม่ด้อยู่นานนะคะไม่ได้อยู่ใครโเายังนิ่งอยู่ก็แบะยังนิ่งใครแกเราใครเตียดเรายังนิ่งอยู่ก็แบบต้องนิ่งกับทุกอย่างใครตบหัวเราตีหน้าตบหน้าเราก็นิ่งก็แ่ายัง นั่นแหลต้องนิ่งอย่างนั้นและกระทัานจะตายก็ต้องนิ่งนี่แหละการปฏิบัติเลยก็ต้องการให้มันนิ่งกับทุกสภาพเพราะไม่นิ่งมันก็ไม่เกิดปอยู่อะไรไม่นิ่งก็ไมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไร <c oughs> เขาด่าเราแล้ ว, ลวเาด่าเสร็จแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเจ้านะเราไปเราไปโวยวายไปร้องหม่มร้องไห้เสียอกเสียใจทาไม <c oughs> ถ้าเขาทำเสร็จแล้ว คือปฏิบัติเพื่อไม่ให้เสียใจไม่ให้เสีย อ, อกเสียใจกับเรื่องราวต่างๆไม่ให้ดี อ, อกดีใจดี อ, อกดีใจก็ไม่ดีเพราะของที่ได้มาดีออกดีใจเดี๋ยวมันไปอนะ่ะไรก็จะเสีย อ, อกเสียใจนะฮะนั่งสมาธินานๆให้มันเฉยนานๆมันจะมีมันจะได้มีกําลังเฉยไงล้วพอออกมาถ้ามันไม่เฉยก็จะใช้ปัญญาสอนว่าทุกอย่างมันไม่เทีย่ยงทุกอย่างมันเป็นอนัตตาเราข่ามันไม่ได้ เราจะให้คนเขาชมเราอย่างเดียวไม่ได้เราจะเอาแต่ได้อย่างเดียวไม่ได้มีทั้งได้มีทั้งเสียเวลาเสียก็ต้องเท่ากับได้ถ้าเวลาได้มาดีใจเวลาเสียไปก็ต้องดีใจถึงจะถูกดีใจเท่าเออหมดภาระไวทีหมดห่วงหมดเรื่องไวท้ทีหรือเออดีจะได้ใช้ของใหม่ได้เป็นขโมยขึ้นบ้านขโยของไปหมดเลยเออดีเดี๋ยววันนี้จะได้ไปชอบของซื้อของใหม่ได้ มันต้องถ้ามันจะดีใจมันต้องดีใจทั้งได้ทั้งทั้งไปเข้าใจยังถ้าเห็นว่ามันเป็นตายรักมันก็จะเฉยได้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่นอนมีขึ้นมีลงมีการเปลี่ยนแปลงห้ามขอไม่ได้เป็นอนัตตาอนิจจังก็คือมีเปลี่ยนแปลงมีเกิดมีดับห้ามขอไม่ได้ก็เรียกว่าอนัตตา ทุกก็เพราะว่าเราไปอยากห้ามเขาอยากให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราแล้วเราต้องกําจัดตัวอยากนี้เท่านั้นเองอยากไปอยากปล่อยเขาเขาจะมาก็ปล่อยเขามาเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปเหมือนฝนตกแดดออกเนี่ยเราไม่ทุกข์กับเขาเพราะอะไรเพราะเราไม่ไปยุ่งกับเขาไม่ไปอยากให้ฝนไม่ตกเมื่อตกดังอย่ากไปอยากในรลาภยศสลรเสริญ ลูเสียงกลินรดโพสภาะเนี่ยทั้งนี้เรียกโลกธรรมแปดรากยศสรรเสริญสุขยอย่าไปอยากให้ให้มันเจริญอย่างเดียวเพราะมันมีเสื่อมมีรากเจริญรากก็ต้องเสื่อมรากเจริญยดก็เสื่อมยศสรรเสริญก็นินทาสุขก็มีทุกตามมามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราห้ามมันไม่ได้ กอล่าวทุกวันนี้ทุกการทุกไปเรื่องสี่เรื่องเนี่ย่ะเชื่อไหมทุกการเรื่องราบเนี่ยทุกการเรื่องยศเนี่ยใช่ไหมทุกการเรื่องสรรเสริญเนี่ยชานก็ชมว่าคุณพี่สวยเหลือเกิน <laughs> แล้วก็ชอบแบบชอบมีความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรส ไ, ได้ดูกาแฟได้ดมกลิ่นกาแฟได้ลิ้มรสกาแฟเนื้อหนมีความสุข ไข้าใจไอวิธีที่จะไม่ทุกข์กับมันก็คืออย่าไปอยากอย่าไปติดมันมันเงินมาก็ดีแต่มันจะไปก็เรอให้ยอมให้มันไปถ้าไม่ไม่อยากจะยึดกับเงินก็อย่าไปมีมันอยู่แบบไม่ต้องใช้เงินอยู่แบบพระเป็นพระไม่กต้องทุกข์กับเงินสี่สิปีนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องรายได้รายจา่าย ไม่ต้องกังวลมีกินไปวันวันหนึ่งพอแล้วพนเราก็มีแค่าปัจจัยสนะี่เท่านั้นก็พอแล้วไม่ต้องมีปัจจัยห้าปัจจัยหกปัจจัยเจ็ดอย่นี้ไม่รู้กี่ปัจจัยเต็ไมไปหมดมือถือนี่เป็นปัจจัยที่ห้าลงมัมีใครไม่มีมือถือบนะ้างอย่างเงี้ยเนี่ยมีการไมีเราคนเดียวไม่มีเนะี่ย <c oughs> เรามีเหมือนกันแต่เราจะเปิดเวลาใช้โทรออกถ้าไม่มีเวลาเราก็ปิดฐา น, นเรานี่ฐานแบตลรานี่ชา้าทีเป็นเดือนะอาจจะไปชา้าใหมา่าก็ไม่ได้ใช้มันนะถ้าโทรนี่จะน่าจะถูกมาถ้าโทรวันละบาดมีโปรโมชั่นของทรูถ้าโทรในเครือ่ายวันละบาดยี่บสี่ชั่วโมง เราเดือนหนึ่งก็ต่ออายุแค่สามบาทต้องต่ออายุสามบาทค่าต่ออายุแล้วโทรก็อาทิตย์ล ะ, ตยละครั้งโทรไปหาแม่แต่เดือนหนึ่งก็โทรสี่ครั้งสี่บาทแล้วค่าค่าต่ออายุอีกสามบาทเจ็ดบาทเครื <laughs> ่อ <laughs> งนี้ซื้อมาสี่ปีแบตยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเพราะมัน ก็แค่โทรออก่ั้เพอโทรโทรใส่ก um> ็ปิดจบอาทิตย์หนึ่งก็หอนหนึ่งเา้าทีแบบทีก็บางทีก็เดือนเดี๋ยวนี้มันเก่าแล้วมันเริ่มท่านลงอเดี๋ยวประมาณเดือนกว่าๆแล้วเดือนกว่านี้ก็นกเปีขามนี้ถือว่าเขันเทพรุ่นไหนนเนี่ยทุนลรุ่นแบบพูดอย่างเดียวนะซัมซุงเล็กๆมีแต่ ตอนเด็ดได้เหมือนกันแต่ จ, จอนี้เดียวจอสี่เหลี่ยมมันรุ่นออกผ่อนพวกรุ่นสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนมันเพิ่งออกมาสามสี่ปีนี่ใช่ค่ะ อ, อาจารย์แล้วอย่างเวลาทำงานครัะมันก็แบบว่าอยากทำให้เสร็จ <c oughs> แล้วพอถึงเวลาต้องต้องต้องไปภาวนาเล ย, ยมันก็ไปค<ห>ิดต่อ ก็ไปคิดต่อสมว่าเดินโจกงมสามชั่วโมงอะครึ่งต่อครึ่งก็คือพุทโทกับคิดเรื่องงานอะไรกันเน่สติเรายังไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่แรงเหมือนเบกยังไม่มีกำลังอย <c oughs> ากจะจอดตรงนี้แต่เ บ, บเหยียบเต็มที่แล้วมันไปจอดนู่น <c oughs> จะจอดตรงนี้มันต้องก่อนจะหยุดนิ่งอีกชออีกกิโลหนึ่งอะถึงจะ <c oughs> แสดงว่าเบรกเราไม่ดี เราไม่ติดดิสเบรดดิสเบรดก็ต้องพุทธะพุทธไปทั้งวันพอทำอะไรปุ๊บอยากจะเลิกก็ไปเลยจิตตั้งอยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาเหตุการณ์อะไเกิดขึ้นมันผ่านไปแล้วคุยกันปุ๊บเดี๋ยวเดียวมันผ่านไปแล้วแต่จิตเราไปดึงมันกลับมาเองเรื่องมันผ่านไปแล้วมันไปมันไหลไปตามนาฬิกาพูดเสร็จปุ๊บมันก็ไปแล้วทําะไรเสร็จแล้วมันก็ผ่านไปแล้ว แต่ใจเราไม่อยู่กับปัจจุบันมันก็กลับไปคิดถึงมันคิดถึงมันบ้างคิดถึงอนาคตบ้างคิดจะทำยังไงต่อไปมันทำมาดันดีหรือยังเขก็อยู่ก็ต้องฝึกสติเรื่อยต่อไปมันก็จะอยู่ในปัจจุบันได้พอมันอยู่ในปัจจุบันมันจะเห็นเหตุการณ์ต่างๆนี่ไหลมาเหมือนกับดูหนังเลยหมือนกับนั่งดูหนังเลยทุอย่างมาแล้วก็ไปทอย่างมาแล้วก็ไป เราจะทําตัวให้เราเป็นคนดูหนังได้ตอนนี้เราไม่ยอมดูเราชอบเล่นกันหนังพอเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องเล่นกับมันทันทีอย่างพวกบอนี้พอมีเรื่องเซิร์ฟวงเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาก็เล่นกับมันทันทีก็ไปจัดการกับมันแล้ะการทั้งหมดก็ปล่อยมันไปมันจะมันจะอยู่ก็อยู่มันจะไปก็ไปก็จบนี่วุ่นวายกันไปหมย วจิตมันไม่นิ่งจิตมันชอบมันไม่ชอบดูเฉยเฉมันชอบไปเล่นเขาด้วยใช่ะหมไปวิจารณ์ต่อวิจารณ์หรือไปจัดการกับเรื่องเราถ้าไราเป็นของเรานี่ปล่อยไม่ได้ก็ต้องไปดูกันเลยใช่ไหมก็คุยกับคุณริงเขาว่าคุณริงตอนมาอยู่ตรงตรงที่พักสี่วัน ก็ก็วางไว้ได้เหมือนกันเขาต้องเามาตรวจดูกระเจมันทํางานอยู่คอยทำงานตลอดเวลาพอหยุดยาให้มันหยุดทํางานไม่ยอมหยุเหมือนรถวิ่งลงเขาเบรคเราไม่ดีมันจะหยุดมันได้ไงมันก็แล้ววิ่งลงไปอาจจะวิ่งช้าช้าหน่อยแต่ก็ยังวิ่งอยู่นั่งบ่อยไหมทุกวันเลย นั่งที่ได้สี่ห้าชั่วโมงนี่แหละบางครั้งนั่งได้ลุดเลยอ่ะค่ะเขาสอนคนนั่งนิพพานเอ้ยนั่งสมาธินั่งแล้วหลับหรือเปล่าไม่หลับจะมีสติรู้แต่บางทีก็รัดแต่ไม่นานรู้ตัวซะก็จะกลับมาเลยก็จะมองก็มองแบบมองให้รู้ว่าเราเรานั่งอยู่จนปัจจุบันนียรู้อยู่ให้มีรู้สติรู้ตลอดอะอาี้ยแลไปเรียนมาจากที่ไหนอ่ะจริงๆนิถูกเข้าวัดพระธรรมกายที่นั่นก็มอง มองความสว่างนั่งไปเรื่อยได้ชอบมากเดีวเวลานั่งนี่จะแบบถ้าไปทําอย่างอื่นจะไม่ชอบจะชอบอย่างเดียวก็คือการ น, นั่งสมาธิมีความสุขมีความสุขมากๆถ้าถ้าชอบนั่งสมาธิก็แสดงว่าอจิตสงบเริงถ้าคนบอกจิตสงบแต่ไม่ชอบนั่งมันแสดงว่ายังยังไม่สงบยังไม่สงบจริงถ้าสงบจริงก็มีความสุขมไม่อยากจะทําอะไรไ จะไปทำอย่างอื่นจะรู้สึกมันจะเสียเวลาเพราอมันนั่งปุ๊บเนี่ยแบบถึงเนยที่เราต้องการที่จะมาทำํำกอจะมีความจุกจะนั่งแต่ก็จะไปเรื่อยๆแต่เราอย่าไปติดสุขนั้นอย่าไปติดสว่างนั้นที่พระอาจารย์บอกไม่ติดสุขก็คืออย่าไป อ, อยู่กับอยู่ให้อยู่กับส ต, ติตลอดเวลาให้อยู่กับตัวรู้ให้รู้ว่าสุขนี้ก็มีวันเสร็จได้ที่เวลาออกจากสมาธิมันก็เสร็จถ้าออกมาแล้วอยากจะสุขมันไม่สุกใจแล้วก็อาจจะ ไม่สบายาจอยากจะกลับไปนั่งแต่คนเราบางทีมันต้องทําอย่างอื่นถ้าก็อย่าไปติดกับผมนั่งมันเป็นอดีไปมันผ่านไปมันไม่เที่ยงถ้าอยากจะได้ก็ต้องกลับมานั่งอีกแถ้ายังไม่ไม่ได้นั่งก็อย่าไปทุกข์กับมันอ่าตอนนี้จะติดวิสัยอยู่อย่างก็คือเวลาไม่ได้นั่งเนี่ยจะอจะทุก่าจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ที่เรามีความจําเป็นจะต้องทําอะไรก็ทําไปในว่างมันไหลรัความไปนั่ง ใช้ใช้สติใช้ปัญญาสอนใจมันจะได้สุขในขณะที่เราไม่ได้นั่งอจยที่ที่มันไม่สุขก็เพราะเราอยากจะกลับไปนั่งเพราะนันต้องหยุ่ตัวนี้ว่าเราต้องดูความจริงของเราว่าตอนนี้เรานั่งได้หรือเปล่านั่งไม่ได้เราจะไปอยากทาไมอยากไปก็ทุกไปไปต่าถ้าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำอยู่ให้มีความสุขอยู่กับงานที่เรากาลังทำอยู่ให้มีสติอยู่กับงานที่เราทาอยู่มันก็มีความสุขได้ กนะารนั่งเราอยากจะรู้ว่าทํางไรต่อถ้าเจอตัวสว่างก็เขารู้ดูันไปแต่ก็ให้อยู่กับตัวรู้อย่าไปอยู่กับตัวสว่างถ้าถ้ามันดีกว่านี้มันต้องหายไปหมดเลยเหลือแต่ความว่างมันจะนิ่งกว่านั้นอีกเราใช้อะไรเป็นตัวกำกับกากับใจใช้แทนสว่างแล้วนะั่งรู้ ค, รค่ะรู้แล้วก็นะให้รู้อยู่ตรงนั้นว่าเรานั่งนั่งอยู่เอนะ บางทีนั่งไปเนี่ยจะจะมีอะไรเข้ามาก็จะบอกตัวเองว่าให้ให้ตอไปเรื่อยๆนิ่งๆไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งนั้นให้มองมองแล้วให้รู้จิตอยู่กับปัจจุบันอยู่กับช่วงนี้่ค่ะมันก็เลยเข้าไปลึกๆๆล้ก็นั่งนิ่งนิ่งๆแล้ากไปแบบวุ้บแล้วก็นิ่งแล้วว่างแสงสว่างก็ไม่มีอย่างนั้นมันนิ่งจะดีอั้งน้นเหมือนรออยู่ในอวกาศเลยไอความรู้สึกทางร่างกายนี่จะไม่มีเวลานั่งจะแบบ เป็นอันหนึ่ง <S <S อันเดียวกับทุกอย่างที่เราเข้าไปถึงนั่นแหละก็อยู่ไ น, นี่เรียกว่างว่างใช่ไหมครันี่เรีว่าสมาธิยังไม่เป็นวิปัสสนายังไม่เป็นปัญญาปัญญาต้องสอนใจนให้เห็นใจรักในร่างกายต้องมองร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะมันแต่มันเจ็บมันตายเนีย่ยไม่เที่ยง มันไม่ได้เป็นของเราเพราะเราห้าสั่งมันไม่ได้ห้ามันไม่ได้ห้ามไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายไม่ได้แล้วที่อย่างที่บอกคือเราคิดไปใช่ไหมคะตามที่อาจารย์บอกใ่ไคิดนะอะไรก็คิดสองใจไปเรื่อยๆแล้วตอบในเวลาเจอความแก่จะได้จะได้เฉยได้เจอความเจ็บจะได้เฉยได้เจอความตายจะได้เฉยได้ สอนให้ย์ไม่ไปทุกข์กับมันไม่ไปทุกข์กับความแก่ความเสจ็บควางตาของร่างกายหรือการสูญเสียของสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่เราต้องพัดพาจากสิ่งที่เรารักเราชอบไปเช่นเงินทองข้าวของอะไรต่างๆวันหนึ่งมันอาจจะจากเราไปอาจจะจากน้อยจากมากแล้วแต่เหตุการณ์ คนใ น, ในเฟซบุดกมาเขียนตอบอาจายผมล้มละลายเนี่ยทำยังไงจะทำางไงมันล้มละลายก็ให้รู้ว่าตนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่อยากจะทษก็อยากไปอยากให้มันกลับมาเพราะมันไม่กลับมาพราเราสั่งมันหงมันกลับมาไม่ได้มันล้มละลายก็อยู่กับการล้มละลายไปให้รู้อยู่ของการล้มละลายไป เวลาถกเวลารวยก็ให้รู้อยู่กับการรวยไปรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันรวยวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็อาจจะจนได้มันน้อมละลายวันนี้พรุ่งนี้มันอาจจะรวยขึ้นมาอีกก็ได้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนนอกจากความตายนี้นแน่นอนถ้าตายแล้วไม่คื้นแน่แน่หลับไม่ตืน่นคื้นไม่ ม, มีไปไม่กลับมีสียัก็เขียนไว้ที่ที่ททตาปัดท่านเยอ่าน นี่อะไรนังับไม่เติมฟื้นไม่มตอนนี้ไม่พ้นไปไม่กลับรับไม่เติมฟื้นไม่มีไม่พ้นเนี่ยเป็นวิปัสสนาสอนใจให้ใจเราอย่าไปวุ่นวายกับเรื่องของร่างกายมันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราถ้าเรารู้ทันเราก็จะเฉยถ้าเราลืมเราก็จะอยากให้มันกลับอยากจะให้มันฟื้น พอไม่ไม่จับไม่เคยจะร้องห่นะนม น, อนอ้องห้เนี่ยคนบางคนไปนอนกอดศบร้องไห้กอดไปทำไมร้องทำไมน้องค่อยจอับคือให้มาะใช่ไหนอกจากคนบางคนอาจจะเล่นละครให้คนเห็นดูว่าฉันนักฉันรนัก <c oughs> ให้เรารู้ทําตัวเหมือนอย่างเรากำลังนั่งสมาธิก็เหมือนกันใช่ไหมครับ ถ, ถ้าทําอย่างนั้นได้ก็โอเคแต่ถ้าไปเจอเหตุการณ์ที่เข้ามาตบหน้าเราเนี่ยเรายังจะรู้ได้ปะถ้ารู้ได้ก็โอเคถเอามาแล้วเขาตอบหน้าเราแล้วก็ยังรู้เฉยๆหรือว่าบาเอันอนี้จังตบบ้างปันก็ผ่านไปแล้วจบแล้วคณะตาลราห้ามเขาตบเราไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้เขาไม่ตบเราเราก็จะทุกข์ ถ้าเรายัางสามารถที่จะรักษาความเฉยได้กับเหตุการณ์ต่างๆคือเราเฉยได้กับเวลาไม่มีเหตุการณ์เวลาอยู่คนเดียวเวลาไม่มีอะไรแต่เวลาที่เราขับรถไปเข้ามาชนท้ายรถเรานี่เราเฉยหรือเปล่าหรือว่าเรามีคนหนึ่งเขาบอกว่าเขามีเพื่อนอยู่ด้วยกันอย่างเขาชอบหยิบของเข้าไปใช้ด้วย <laughs> เราเฉยได้หรือเปล่าเดี๋ยวคนนั้นก็มาหยิบของเราไปใช้เดี๋คนนั้นก็เอาแฟนเราไปใช้ี้ เราจะเฉยได้ไหรือเปเนี่ยคือต้องให้เฉยได้กับทุกเรื่องเพราะทุกเรื่องมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นเราต้องปล่อยหมดถ้าเราอยากจะเฉยถ้าเราเฉยถ้าเราปล่อยแล้วเราจะเฉยได้ตอนนี้เรากำลังจะไม่มีเว็บไซต์แล้วเราก็เฉยไม่มีก็ช่างมันไปเลยไม่มีก็จดใหม่ได้ไม่เ็ยากเย็นตรงไหน นี่งเรามีของเราอยู่แล้วก็ไม่เดือดร้อนใช่หมคนที่มีสมาธินี่แหละมีความสุขอยู่แล้วพอจะเสียอะไรไปนี่จะเฉยได้เพราะว่าเหมือนกับคนที่กินข้าวอิ่มแล้วแล้วไปงานเลี้ยงนี่เวลาไปกินงานเลี้ยงบงทีไปย่างนั่งโต๊ะกันก็ย่างกินกันนะบางทีเรายังไม่ทำตักเขาตักกินกันไปหมดแล้วแต่ถ้าเรากินมาแล้วเราก็เฉยได้เราไม่กินก็ได้ หลาคนที่ยังไม่ได้กินกัจะมากินเนี่ยพอไม่ได้กินเนะนี่ยนี่หละคือคุณค่าของสมาธิคือเรามีมีทุนละมีความสุขใจอยู่นะทีนี้เราก็จะสามารถปล่อยความสุขใจที่เราเคยเคยได้จากเสิเงอื่นได้เช่นเราเคยสุขกับการเดินกาแฟพอเกิดคามอยากจะเดินกาแฟขึ้นมาไปเปิดตู้อ้าวหมดแล้วกาแฟหมดแล้วอ้าวหมดก็ะ่ังมันหมนนี้ก็จบ ม่ใช่โอ้โหงหงุดหงิดใครมาตัดกาแฟของเราไปหรอไมั้นก็ต้องไปขับรถออกไปซื้อกาแฟมาดืม่มแต่ถ้าเรามีความสุขใจแล้วก็เฉยได้ยิ่งถ้าเรามีปัญญาบ่าอยแม่ น, นี่นะอันนี้จังทุกขังอนะจังเป็นอย่างนี้เองเพราะอยากจะดืม่มแล้วไม่ได้ดืม่มมันก็ทุกข์ขึ้นมาเพราะมันหมดอันนี้จังก็คือมันหมดมีเกิดมีดับมีมีมามีไปเดือดไม่ได้เรื่อยเดือดมันก็หมดใช่ไหมกาแฟเนี่ ก็ลืมไปพอข้างล่างั้ง L, งสอบเรจะเดิน ม, มาเปิดมาเปิดดูอ่ะมันหมดแล้วลืมซื้อมาแต่ถ้ามีปัญญาก็เฉยก็อนิจจังอนัตตาก็ห้ามมันไม่ได้ห้ามไม่ให้มันหมดไม่ได้เอาไปซื้อใหม่ก็เป็นปัญหาเึ็นมาอีกรอบหม่ก็แสดงว่าไม่มีไม่มีไม่มีสมาธิในใจใจยังหิวอยู่ ถ้าใจอิ่มใจเป็นอุเบกขานี่มันจะตัดทุกอย่างได้หมดก็แสดว่าถ้าเฉยไม่มีก็ไม่ไปซื้อไม่กินแล้วก็ไม่มหงุดหิดต่อก็จบแค่นั้ น, น, นหรือถ้าวันต่อมาเจอก็กิกนก็ก็ไม่ได้มีอะไรนั่นก็คือเฉยแล้วได้ก้อนบาตรมาอย่างนี้ขับกินได้อถ้าอะไรมันออกจากใจเรานี่สแสดงว่าบบยังไม่เฉยก<ะ>ารคิดอยากจะกินนู่นกินนี่แสดงว่าตัณหามาแล้ว กินที่ได้มาแล้ว<อ>ไป<อ>ชิมทานไว้แต่คาราวานี่ก็ถ้าอยากจะทํานี้เวลาไปที่ร้านก็ต้องสั่งเดี๋ยวเอาอะไรมาก็ได้กินทั้งที เ, เดี๋ยวเขายกมาทุกเมนู <c oughs> แต่แล้วแต่ครับเอามาสองสามอย่างเจ้อหม้เอเท่าไหร่เรืองเราอย่าไปสั่งเองอย่าดูเหมือนท่าเนี้ย <c oughs> ถ้าไม่รู้ญาโยมจะเอาอะไรมาประเคนให้วันนี้มีอะไรก็กินันไปตามตามที่เขาให้มา ก็อยากเกิดความอยากยินดีตามมีตามเกิดชาค่ะถ้าสมุติเาตอบหน้าเนี่ยเราสงสัยได้ไหคะตอบอะไรสงสัย่าตอบทันทาไมอง้ยเป็นพินะทไมต้องไปสงสัยด้วยตอบแล้วก็ตบบแล้วก็จบแล้วอ่าไม่อย่าไปตอบความยาวสาวความยืดก็เลยเอคนที่ตอบเรามันไม่ชอบเราออก็แค่นั้นไปรู้หาอะไรกัะ เช่ไหก็รู้ต่อไปแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปเข้าใกล้ค่ะอย่าไปยุ่งกับเขาถือว่ า, าไม่ได้ทำมุญมาด้วยกันเด่๋ยวคบค้าสมาคมกันไม่ได้มีแต่ความเสียหายแต่ถ้าอยากจะถามก็ได้แต่อย่าให้มันเป็นความอยากขึ้นมา เออถ้าถามได้ก็ถามได้คําตอบก็โอเคไม่ได้คําตอบก็โอเคเขาไม่ชอบเราอยู่นี่แหจบไม่ใช่ว่าต้องถามแล้วต้องได้คําตอบถามาเขาก็ไม่พูดก็ไปพยายามไล่ถามอันนี้กลายเป็นตันหาความอยากขึ้นมาแล้วงั้นทางที่ดีรู้เฉยๆดีกว่าหรือว่าเขาบจบแล้วละจบแล้วผ่านไปแล้วร่วมเป็นอนิจจังดีกว่าหรือว่ามันเป็นอนัตตาดีกว่ า, ว า, นน ด, า, ด, วาดีกว่าไปรู้เหตุผลของเขา ไอ้ผมเขาความันกันาน า, นาจิตตังใช่ไหมบางทีใครอาจจะไปไปพูดอะไรให้เขาฟังที่อาจจะไม่ตรงกับความจริงก็ได้เขาอาจจะไปกระซิบบอกว่าเราเนี่ยไปทําให้เขาเสียหายเขาก็โกรธเราขึา้นมาทั้งที่เราไม่รู้อีหนุ่ยเนี่ยโดนใส่ความไอ้นั่นก็ไม่ไม่ยอมสอบเลยพอเจอหน้ากั็ซัดเลยออันนี้ก็ถือว่าเป็นความซวยของเราไปนะก็เกิดมาในโลกนี้มันก็ต้องอย่างนี้แหละ ีสุขมีทุกข์สลับกันไปอันนี้ก็สุขทุกข์กที่เกิดจากผดทัพทะการถูกตบหน้านี่ก็ผดทัพทะนะวะสัมผัสที่ร่างกา ย, ายถ้าจะเข้ามาจูบเราเนี้ก็ผดทัพพาอีกแบบหนึ่งนะ้าเขตบด้วยมือก็ผดทัพพาอีกแบบหนึ่งสุขทุกข์เนี้ยท้านนึว่ามีสุขต้องมีทุกข์เลย ถ้าให้เรายอมรับสภาพความทั้งทั้งดีและไม่ดีทั้งสุขทั้งทุกข์เราอยู่ในโลกนี้เราหนีไม่พ้นแต่เราสามารถอยู่เหนือมันได้ด้วยการทำใจให้รู้เฉยๆถ้ารี้เฉยๆด้วยสมาธิบางทีกำลังมันไม่พอออกมาเพราะกิเลสของเรายังมีมันจะตอบโต้ ท, ทันทีเราก็ต้องใช้ปัญญาวาอย่าไปตอบไปโต้มันจะเป็นสาวความยาวตอความยาวสาวความยืดออกไป S <S ปัญญานี่จะมาเองโดยอัตโนมัติแม่จำซองก่อนเหมือ น, นกับ<ม>เราเรียนวิทยาศาสตร์นี่เราต้องเรียนก่อนก่อนที่เราจะบวกลบคูณหารได้อย่างอัตโน ม, มัติเราต้องเรียนก่อนไม่ใช่<ม>เราต้องหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสอ ง, สองบวกสองเป็นสี่ต้องหัดบวกไว้ก่อนแล้วต่อไปมันถึงจะเป็นอัตโนมัติขึ้นมาถ้ามันไม่มีเราในนี้มันจะเป็นอัตโนมัติขึ้นมาได้นังจากเของนี้เราเคยเรียนมาก่อนนี่มันจะมาอัตโนมัติเอง เรื่ออย่างเราอจะรู้เสึกว่เอ๊ะทำไมมันมาได้เพราะเพราะว่าเราเคยเรียนมาก่อนนะแต่ในที่เราไม่เคยเรียนมันไม่มาและในทาที่เรายังไม่มีเราต้องสอนมันนเรื่อยๆให้สอนสามตัวเนี้ยให้ดูทุกอย่างเป็นตายรับทุกอย่างมันไม่เที่ยงทุกอย่างเราไปสั่งมันไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันให้อยู่ภายใต้คําสั่งเราปั๊บมันจะทุก ท, ทันทีรู้แค่เนี้ย แต่เราเจอใครอยู่กับใครเกี่ยวข้องกับใครแค่รู้แค่นี้แล้วจะไม่ทุกข์กับอะไรไม่ต้องผาดคิดแบบนี้ธรรมดาเราจะคิดตร ง, งกันข้ามกันเราจะคิดว่าทุกอย่างเที่ยงพอพูดอะไรตกลงแล้วต้องโอเคอที่ไหนได้พูดวันนี้เป็นอย่างนี้พวกนี้เป็นอย่างอย่างไปแล้วพอเป็นอย่างก็ทุกข์ละเพราะอยากจะให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วงั้เราต้องเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อน ตกลงกับใครสัญญากับใครอย่าไปคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเช่นนักกันวันนี้จะเจอกันสี่โมงนี้พ่อมาห้าหกโมงก็มี้ก็ต้องรู้ว่าอะไรเนี่ยมันเป็นอย่างนี้บางทีมาเร็วก็ได้มามาช้าก็ได้มาตรงก็ได้มันไม่แน่ไม่มาเออไม่มาเลยก็ได้นี่ยเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจแล้วกับความไม่แน่นอนเพราะเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้แล้วเราจะไม่ทุก คือป right. ัญญาวิปัสนาถ้าเรายังทุกข์กับเรื่องไหนเราต้องใช้วิปัสนาตัวนี้มามาสอนใจเราทุกข์กับแฟนเขาไม่แน่นอนเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเขาดีเขาไม่ดีก็เนี่ยาเรามาสอนใจเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้แหละเราจะไบอย่าให้เขาดีกับเราไปตลอดเป็นไปไม่ได้พล้ต่อไปเราจะไม่ทุกข์กับเขาเขาจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้เราเฉยอย่างเดียว แล้วต่อไปมันจะไม่อยากจะยุ่งกับใครอยู่คนเดียวดีกว่าไม่ต้องมาเหนื่อยไม่ต้องมาเหนื่อยวิปัสสนาใชไ่ไหมวิปัสสนาเพื่อให้เราถอนออกมาให้เรามาอยู่คนเดียวเขาอยู่คนเดียวนี่ดีที่สุด <c oughs> เพราะทุกอย่างเป็นทุกข์หมดทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะเป็นอนัตตาสเปสังขารานิจ า, สารสเปธรรมานัิจ า, ารา ติดใจเรื่องที่ที่เล็กพี่หมอเขาถามมันก่อนเรื่องที่ยอมปลงตายของปุถุชนกับพระอริยคะคือสุดท้ายเราต่อให้ตายแบบจนต่อคนที่ไม่ได้ฝึกมาไม่ได้รู้จักสติสมาธิคือยอมรับมันก็มีทุกข์แต่ว่าถ้าไม่เคยฝึกมาพอจะต้องตายแต่มันก็ต้องมีแหวงยิ่งคนไม่เคยฝึกมาต่อให้มันรู้ว่ามันต้องตายแล้วมันรู้ว่ามันก็จะต้องตายมันก็ยังต้องแหวงอยู่ดีใช่เพราะมันไม่มีสมาธิไม่มีปัญญา พอให้รู้ว่าจะต้องตายแล้วก็ยิงรู้ว่ายอมรับว่าจะต้องตายแล้วพอ ถ, ถึงเวลาเข้าจริงก็ต้องยังแก่บางทีง<ม>ต้องต้องยังรู้สึกรัวลึกๆหรืออะไรอย่างนี้มันต้องมันต้องเห็นว่าความแก่ของใจเรานี้เกิดจากความอยากของเราความอยากไม่ตายเราต้องเห็นว่าเราไปห้างความไม่ตายความตายได้หรือเปล่าะ้มห้ามไม่ได้ยอมตายก็มันก็ไม่กก่ มันต้องเห็นอริยสัจสี่ทำมันก็เกิดต่อเมื่อคนที่เคยฝึกมาคนที่รู้จักสติรู้จักสมาธิแล้วมันถึงจะไม่แกลงเห็นอย่างที่พระอาจารย์บอกแต่ถ้าคนที่ไม่เคยฝึกมาแล้วคื อ, อมันยอมรับโดยอัตโนมัติเพราะมันต้องตายเนี่ยยังไงก็ต้องร้อยเปเซนตก็น่าจะมีแกล้งก็ไม่รู้แหละอันนี้แกล้งไม่แกแล้งสนใจเขาทำไมดูตัวเราเป็นตัวอย่าง ลองไปหาความตายเดีดวถ้าโดนดาก็แกงถ้าโดนดาก็แกงแล้ว <c oughs> ออของง่ายงขนาดไม่มีฉัไม่มีกาแฟากินยังแกงเลยเฮ้ยนะไม่แกงตอนนี้ไม่แกงเ็ไม่มีกาแฟเฉยเลยไม่มีกาแฟก็เฉยได้เลยนะเป้าหมายก็คือให้เรารู้เฉยๆเหมือนตอนที่เรานั่งในสมาธิตอนนั่งในสมาธิมันไม่มีข้อสอบไนงะ แต่เวลาออกมานี่มันเจอข้อสอบเนีอยมาทางตาหูจมูกลิ้นกายมาทางความคิดบางทีคิดก็แกล้งได้คิดตั้มเฮ้ยลืมตอนนี้ลืมปิดไฟที่บ้านเนี่ยติดเตาแก๊สลืมเนี่ยจ่ายแกล้งกันเนี่ยอถ้าไม่อยากให้มันแกล้งก็มันอันนี้ตังค์ไม่แหงเดี๋ยวมันจะไหม้ก็ไหม้อยู่ที่นี่ไปไม่ทันอยู่ดีพอยามมันมันไหม้ปั๊บมันก็หยุดแกล้งที่มันแกลงแกล้งเพราะความอยาก อยากไม่ให้มันไม่เราต้องใช้ปัญญาเนี่ยอย่างนี้ถึงเรียกว่าเห็นธรรมในดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่ธรรมก็คืออริยสัจสี่เห็นว่าใจเราแว่งเพราะว่าเราไปอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันเป็นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามมันได้ถ้าเราอยากจะให้ไม่ให้มันแขว่งก็ยอมเสียยอมหยุดเย็น ยอมหยุดเย็นยามให้มันไหม้ไปยามให้มันตายไปยามให้มันเสียไปแล้วมันก็ยังไม่แกว่งว อ, ออกจากบ้านลืมไอะสงสัยมันเราใส่กุญแจหรือเปล่าถ้าเรามีเงินเก็เกบไว้น้องนี้อยู่ก้อนหนึ่งเนี่ย ด, <laughs> ดูเส้ยใจแกว่งเพ่าแว่าเราหยุดมันได้เปล่าโดยที่ไม่ต้องกลับไปกลับไปคนที่กลับไปจริงๆก็ประตูก็ล็อกอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างเง แต่ตัวไปคิดจำไม่ได้บางทีไม่มีสติเวลาออกจากบ้านรีบร้อนไม่แน่ใจว่าล็อกประตูหรือเปล่าเพงแต่สงสัยมันก็ทำให้เราแกว่งได้แล้วเชืชออ่อหมอันนี้แหละอันนี้เรียกเป็นสัจธรรมความจริงเป็นของจริงเป็นข้อสอบเลยใจต้องแกว่งถึงจะถึงจะเรียกว่าปัญญาถึงจะเกิดได้แต่ถ้าใจไม่แกว่งเราคุยกันตอนนี้มันยังไม่ได้เป็นปัญญา พูดถึงความตายตอนเนี้ยมันยังใจเรายังไม่แขวนเพราะยังไม่มีความตายเข้ามาถ้าใครโยนงูเข้ามาไว้ตรงนี้สักตัวนึ่งกระโดดก่อนไปก่อนแล้วดูอีแขวนไม่แขวะกระโดดนี่ก็แสดงว่าแะแลไม่รู้เฉยเฉยถ้าคนมีปัญญาก็รู้เฉยเฉยโอ้ถ้ารู้แบบคนมาตบเราเนี่ย ถ้าไม่โกรธเนี่ยนะแสดงว่าปัญญานี่ต้องเลิศนะถ้าวิ่งจริงต้องฝึกอยู่ช่วงไม่ได้ก็ซ้อมได้ฝึกไปได้ยังยังนะแต่งก็จะต้องปัญญานี่จะต้องแครูอาจารยาสอนอย่างนี่ว่าถ้าใครก็ไม่ชอบเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ได้ตีเราไม่ตบเราถ้าเขาตบเราตีเราก็ดีแล้วยังไม่ฆ่าเรา ถ้าข้าวเราก่อนดีแล้วหมดเวรหมดกรรมทันทีจะได้ไปเกิดใหม่หรือไม่ก็ไปนิพพานเลยถ้าเป็นพระหลานก็ไปนิพพานเลยมี่แค่นี้แหละไม่แบบคพระอาจารย์สอนน้องอายที่เดนทุบเดนตีมาปล่อยเขาตีไปเอทําไม่ได้ขนาดเด็กยังไม่ยอมเลยจริงใเลยมันไม่ใช่ในเลของเด็กมันไม่ใช่ใจเลยเด็กใจมันไม่ชเป็นเด็กอ่ะ แต่มันก็เป็นผู้ใหญ่มันตายมาจากชาติก่อนมันเป็นแบนนี้แต่บ้านกายมันเป็นเด็กแต่ใจนี่มันก็เป็นผู้ใหญ่ความโลภความโกรธความหลงความเกลียดนี่มันเป็นเป็นสองผู้ใหญ่เท่านั้นนะมันไม่เห็นว่าความเทสพระอาจารย์เทศแบบว่าให้ยอมเพื่อนคนไหนที่ไม่ชอบหรือเราไม่ชอบเขาเขาไม่ชอบเราก็ให้คุยกับเขาไปเขาหัดทัดเลยอะไรทําไม่ได้หนูไม่ได้หนูทาไม่ได้เลยข้อสองไง ก็ใจแข่งแรงๆเนี่ยก็เห็ น, น, นก็แต่ถ้าเราอยู่แข่งแข่งน้อยๆมองไม่เห็นเหมือนกับที่คําถามที่ความตายอ่ะเหมือนกับเราอยู่ในความแข่งเราก็แขวนไปกับมันด้วยเราก็ไม่รู้ว่าเนี่ยโอ้เพราะหลังจากที่วันนั้นที่ถามเสร็จพวกมันก็ติดป้าจาใจไม่รู้จะไปปฏิบัติแล้วกลับไปก็ไปนั่งเออหนูก็ น, นึกถึง ความรู้สึกรู้จะรู้สึกว่ามันหนั ก, น ก, นกๆเฉยๆเพาอาจารย์จะไม่รู้สึกว่าแข่งเลยเหมือ น, นเวลาโกรธอ่ะไออย่างนั้นเนีน่ยกรโกรธมันเห็นชัดกรแข่งอย่างนึีเลนนั่งนี่หลายหลายหลายระดับไงระดับยากระดับกลางระดับละเอียดส่วนใหญ่ถ้าเราจิตเรายังไม่พัฒนามันจะเจอแต่ตัวตัวห ย, ยาบๆพอสู้มันได้แต่ตัวละเอียดนี่ไม่รู้จะทำยังไงเลยเราสติปัญญาเรายังไม่ไ ไม่ไม่เห็วไม่ลึกพอแต่ถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆนะต่อไปพอตัวหยาผ่านไปก็จะไปเจอตัวปานกลางตัวปานกลางก็จะเป็ตัวเจอตัวอะไรอยตัวละเอียดมันฝังอยู่ในจิตตัวปานกลางมันฝังอยู่ในขันตัวหยามันอยู่ของข้างนอกของสมบัติเข้าของเงินทางนี่เป็นตัวหยาลาบยศสารเสริงรูปเสียงกลิ่นรสนี่เป็นตัวหยา ตัวที่ปานกลางลลก็คือขันห้าเราเนี่ยรูปเวทนาอัญญาสังขารรูปกับเวทนาคือความเจ็บกับความตายของร่างกายเนี่ยเป็นปานตัวกลางแล้วตัวลึกเข้าไปก็ตัวอยู่ในจิตตัวอัตาตัวตนอตัวนี้ยังมีอยู่นะตัวตนบางคนยังบอกว่าถ้าได้แต่ยามไม่ได้ชเสียอะไรก็เสียได้แหละอยาเสียหน้าอัตาตัวตนตัวมานะ ว่ามันบีนบเลยเออเนี่ยมันต้องมันต้องเอาจากข่าจากตัวหยาบไปก่อนต้องปล่อยของข้างนอกได้ก่อ น, อ น, นต้องสละทรัพย์สมบัติลาบยศสรรเสริญได้ก่อนไม่ยึดไม่จิดแล้วถึงจะมาสละร่างกายสลับความจิตเวลาร่างกายเจ็บใยได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายจะตายก็ไม่เดือดร้อนคะแนนปล่อยได้ ก็แสดงว่าต้องฝึกไปทีละขั้นคือการนั่งสมาธิแล้วก็ใช้ปรรัญญาไปด้วยกันตลอดสลับกันสลับกันไปแล้นั่งสมาธิแมใ่ใช้ปรรัญญาไปแล้วนั้นเป็นการฝึกให้มันเฉยเพื่อจะได้มีกําลังเฉยเวลาออกม า, อ า, อาพอเจอเหตุการณ์อะไรก็ได้ใช้ปัญญาบอกพอพอปัญญาบอกปั๊บจิตมันก็กลับไปเฉยได้แต่ถ้าคนไม่มีเฉยมาก่อนบอกให้เฉยก็ไม่รู้จะเฉยยังไงนั้นคนที่บอกจะใช้ปัญญาจะไม่มีสมาธินี่พูด พูแบบไม่รู้เรื่องถ้าทำออย่างนั่งเนี่ยมันจะคิดเนี่ยแบบม่ปัญญาก่อนมันยังไม่ได้ต้องสติมาก่อนงั้นต้องฝึกสติใ้กิเลมันจะชอบลองให้เราปัญญาปัญญาไปไม่จริงไม่ใช่ปัญญาหรอกฟุ้งซ่านน่นหรอเราเป็นปัญญา ทุกคนเนี่ยเวลามานั่งสมาธิ่ า, านั่งไม่ได้อยากจะใช้ปัญญาเลยได้ป่ะใช่ก็ปัญญาเาะมันปัญญาตรงไหนม <c oughs> ัญญามันก็ต้องทําให้จิตสงบได้เลยต้องทำให้ใจให้จิตหยุดคิดได้ถ้ามันคิดแล้วมันไม่หยุดท่านแสดงมันไม่ใช่ปัญญา <c oughs> ใช่เขาเรียกปัญญาอบรมสมาธิไงเป็นเจนาปั๊บแล้วจิตเข้าใจปั๊บก็หยุดปั๊บสงบตัวนั่นนี่คิดนั่งไปครึ่งชั่วโมงก็ยังคิดอยู่งั้นนันไม่ใช่มันไม่ใช่ปัญญาอบรมสมาธิแล้วมันฟุ้งซ่าน ปัญญาบลมความพุ่งท่างล้วถ้าใช้ปัญญาไม่เป็นอย่าไปใช้พุทโธตัวเดียวดีกว่าสวดมนต์ไปดีกว่าเรื่อมีอะไรกำหนดใท้ใจมันยึดไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้จะดีกว่าแต่ก่อนจะมานั่งต้องฝึกไว้ก่อนแล้วต้องมีสติก่อนถึงจะนั่งได้ถ้าไม่มีสตินั่งมันก็ลอยไปลอยมา เนี่เรารู้ว่าเราจะจอดตรงนู้เราต้องมแตะเบรคทางนี้ไว้ก่อนนะใช่ไหมมันถ้าไปแตะเบตร้มันก็เลยไปใช่ไหมแต่เหมือนกับเวลาเราจะนั่งสมาธินี่เราต้องมีสติไว้ก่อนนะแล้วพอเวลามันนั่งมันก็จะได้สงบได้งั้นตอนนี้เราต้องฝึกสติเวลาที่เราไม่นั่งตั้งแต่เตือนขึ้นมาเลยรัาฝึกได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตือนหึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันอยู่ต่ำนั่งกายก็ได้น่างกายกำลังทำอะไรก็เฝ้ามันไปนี่แหละว่าจิตอยู่ในปัจจุบัน อย่าให้มันไปคิดอดีตอนาคตถ้ามันคิดก็ใช้พุโทโธแล้วใช้สัมมาละหังท่องดึงมันไว้ก็ได้ส่วนมนต์ไว้ก็ได้เดี๋ยวให้มันไปคิดเรื่องราวต่างๆและเวลามานั่งมันจะได้นิ่งมันจะไม่มันไม่ไปนู่นมานี่แล้วมันก็จะสงบนั่งเดี๋ยวๆห้านาทีสิบนาทีก็จิตก็สงบถ้าสติต่อเ น, นื่อนงะ พอสงบแล้วก็นั่งได้นานเลยไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกอยากจะลุกอยากจะทําอะไรมันจะเฉาเบาสบายแล้วพอออกมาแล้วค่อยมาสอนใจตอนนี้เรารักอะไรหวงอะไรต้องพิจารณาว่าต้องปล่อยนะไมถ้าพอต้องจางเราแน่ๆไม่ช้า ก, ก็เลยทุกอย่างในแต่งานนี้ก็ต้องหมดใช่ไหมทำไปเดียวก็ต้องจบละ เดี๋ยวก็ต้องเออรี่แล้วคุณก็อาจารย์อย่างวันนั้นนะครัมันมันเห็นโดยมันเหมือนน้าทิ้งลงไปในท่อค่ะเรากานั่งเอ๊มันอะไรมันรู้มันรู้มันมันพูดไม่ถือแบบอาจารย์หนูบอกตัวก็ตั้งคํา่าไม่หยเสพ็จปุ๊บเราพอนึกพิจารณาว่าเรานึกถึงความตายของสิ่งนี้มันมีอะไรขยอย่างมันเป็นที่ขวางกันเราคิเฮ้ยไอตัวเนี้ยแหละ คือตัวความทัวตายของเราพระอาจารย์พอคิดได้อย่างนี้ปุ๊บนะมันมีความรู้สึกว่าเหมือนน้ําลงข้ออาจารย์จะเคลียร์จาก periphery ไป to center แล้วเรารู้ว่าสงบอ๋อพอตรงนี้หายไปตรงความรู้สึกนี้หายไปหนู้บอกกับเพื่อมเราไม่รู้เลยจึงได้เหยีแยกกันในสายส่วนเลยว่าไอ้สิ่งที่ตายวางตายนะ่ะ มันเป็นคนละส่วนและสิ่งที่กลัวตายเนี่ยเป็นอีกส่วนตัวรู้ไม่ตายตัวตายไม่รู้ร่างกายมันไม่รู้ว่ามันตายแต่ตัวที่รู้ไม่ได้ตายกลับไปกลัวแทนตัวร่างกายอยา น, นี้กคื อ, อ น, นี้ก็คือวิปสัสสนาก็ไปซ่อมอยู่บ่อยๆไปอยู่ป่าท่าดูไปอันนี้มันอาจจะยังเป็นวิปัสสนาเกี่ยวไม่ได้เจอของจริง แต่ถ้ามันจริงก็แสดงว่าถ้าถ้ามันจริงเวลาไปก็จะไม่กลัวถ้าไปแล้วยังกลัวก็แสดงว่ายังยังเป็นวิปักสนิดหอึ่งคือมันก็เบาตอนนั้นน้ำไม่อยากไปทํางานไม่อยากอะไรอะไรก็ไม่กินอะไรก็คืออยู่ด้วยก็ทักเนี่ยมันจบโตตรงไอ้ก้อยโตแบบอะไรแบเชฟเนี่ยขอกมันลับล้กมันต้องไม่กลัวตลอดมันต้องไม่กลัวตลอดหลังจากนั้นไปแล้วมันจะไม่กลัวความตายต่อไป คิดถึงความตายเห็นความตายแล้วมันจะเฉยมันจะไม่รู้สึกสะเทือนใจอต่อไปพอมารู้ว่าใจไม่ได้เป็นอะไรถ้ายังถ้ายังไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็แสดงว่ายังไม่สมบูรณ์เชิดเนี่อยอีนอีตรงขั้นตอนต่ อ, ตอไปไก็ไปทดสอบเดี๋ยวแล้วทำซ้อมไปเรื่อยๆก็พิจารณาใหม่เลยพิจารณาใหม่พิจรารณาความตายใหม่เตนอนเช้าไม่ใช่กาแฟหมดกค่นมเสียค่ะ <laughs> วันนูเราก็เห็นอาการเดียวใจเลยต้องเดือดกาแฟดำก็เดือดกาแฟดำก็เดีอดก็ได้ไม่กินเลยค่ะไม่กินกินก้กินเพื่อลดรสชาตินไม่มันเนี่ยไม่มันเนี่ยโอ้เห็นเลยนะคุณพ่อจางตอนที่นมโอ้นมเป็นถังวิธีเชื่อวิธีเชียแล้วกินกาแฟอย่างนี้ตอนั้นก็อย่าใส่นมขั้นต่อไปก็อย่าใส่น้ำตาล แล้วกินมันขมๆไปแล้วต่อมามันจะเลิกง่ายเมื่อก่อนเราก็ตอนนั้นเราสมัยก่อนเราก็กินกาแฟใส่นมใส่น้ําตาลแล้วต่อมาเราก็ใส่น้ําตาลอย่างเดียวไม่ใส่นมเพราะนมมันยุ่งที่ไม่มีแล้วต่อมาก็ไปอยู่กับคนที่เขาเดิมแบบไม่ไม่ใส่น้ําตาลก็เขาไม่ใส่น้ําตาลเดินแล้วก็เดือดกับมันเดือดถ้าเดือดไปต่อลามันก็ขนาดไม่มีน้าตาลมันก็ยังกินได้มันก็ยังเดืมดมาก แล้วตอบไม่ตอบมันจะเลิกก็รู้สึกมันเลิกง่ายไม่มีปัญหา เ, าเลิกไปแต่เราอาจจะเป็นคนที่ไม่ติดอะไรนะพูดทุกอย่างเราก็เคยสัมผัสเบียก็เคยดื่มเหล้าก็เคยดื่มรูรี่ก็เคยสูตรกาแฟาอะไรเคยทุกอย่างอะ่ะแต่มันไม่รู้สึจกจะหงุดหงิดอะไรมากมายเวลาไม่ได้ไม่ได้สัมผัสกับมัน เป็นพราส่วนหนึ่งจิตของเรามันมันมีความสงบในระดับหนึ่งนะมันก็เลยไม่ค่อยจะโหยกับสิ่งต่างๆคนนี้ไม่มีความสงบเนี่ยมันจะโหยหรือโหยกับสิ่งต่างๆถ้ามีแล้วมันจะสัมผัสบ้างก็ได้ไม่สัมผัสก็ได้ไม่เดือดร้นอนถ้าเห็นด้วยปัญญาเป็นโทษถ้ามันจะอยุดได้เลยจับได้ ฉะนันสมาธิเนี่ยมีคุณประโยชน์มากมันทำให้ใจเราไม่โหยไม่หิวแล้วพอเรามีปัญญาสอนใจว่าสิ่งนี้เป็นพิษเป็นภัยกับเราแล้วก็เลิกได้เลยบุหรี่เป็นภัยก็หยุดได้สุราเป็นพิษเป็นภัยก็หยุดได้ยาเสพติดเป็นพิษเป็นภัยก็หยุดไดค้คนที่เขาติดแล้วหยุดไม่ได้เพราะใจเขาไม่มีสมาธิเวลาไม่มีเศษนี่ใจมันโหยมากมันหิวมาก คนที่มีแฟนนี่เหมือนกันนะถ้าอยู่คนเดียวก็โหยขึ้นมานะอยู่ไม่ได้ถ้หาแฟนอแฟนคนนี้ทิ้งเลิกไปก็หาแฟนใหม่แทนต่อคนนี้แสดงว่าไม่มีสมาธิเท่งนั้นเองบางที่สมามีสมาธิส่วนใหญ่ก็ถือสียงแตกกันได้เท้าวัดได้ไ ป, ไปเปรียวยเวกภาวานาได้ อนะมีอะไรไหมไ ด, ได้คำตอบหมดหรื อ, อยัง